เมื่อเกิดสนิมแล้วต้องขัดไม่หมดทั้งโลกทั้งข้างนอกข้างในแล้วระบมด้วยไฟอีกถึงห้าไฟตามพระวินยัยจึงจะใช้ได้ต่อไปซึ่งเป็นความลำบากมากมายท่านจึงรักสงวนบาทมากกว่าบริขารอื่นๆไม่ยอมปล่อยมือให้ใคร ง, ง่ายๆเคยมีผู้ไปขอรับบาทท่านเวลาขากลับจากบิณฑบาตเมื่อท่านไม่แน่ใจกับผู้มาขอรับบาทว่าเคยฏิบัตต่อบาตมาแล้วอย่างไรหรือไม่ท่านมักจะพูดอุบายต่าง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 อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นอนิจจังไปโดยประการใดหรือไม่เท่าที่สังเกตข้อพอทำให้หน้าวิถกได้อยู่บ้างแล้วเนื่องจากสิ่งแวดล้อมกำลังคืบคลานเข้ามาในวงปฏิบัติทีละเล็กละน้อยและค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆจวนจะเข้าขัน้นจะอพยพสำหรับท่านที่เป็นสุปฏิบัติมีใจหนักแน่นในธรรมเพราะอาจฝนทนอยู่ไม่ได้เนื่องจากความสแสลงแทงตาสะดุดใจที่จะทนอยู่ได้ อากับกิริยาของผู้ปฏิบัติกำลังเริ่มไหวตัวไปตามสิ่งดังกล่าวอันเป็นการแสดงบอกลักษณะความสนใจถ้าตื่นเต้นพิกลทั้งท่านและเราชนิดที่อาจเดาไม่ผิดถ้ามายอมสำนึกและขยับตัวเข้าใกล้ชิดต่อหลักเดิมคือพระธรรมวินัยและทุดงควะทั้งหลายอันเป็นเหมือนเกราะหลบภยัยดังที่ครูอาจารย์ท่านพาดนเนินมาก็น่ากลัวจะกลายเป็นพระทุดงกรรมฐานประเภทจรวดดาวเทียม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 พระธุดง์เราก็อาจต้องการความรวดเร็วทันใจและอาจเรียนและปฏิบัติแบบรัดกุมยิ่งกว่าศาสดาและครูอาจารย์ที่พาดําเนินมาก็ได้ซึ่งการรัดกุมแบบนี้น่าจะเป็นแบบพล้างมือคอยเปิดแต่สุดท้ายก็หมดหวังนั่งซึมจึงขอฝากทำนี้ไว้กับพระธุดงเราทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาสิ่งตามใจทั้งหลายที่กําลังคืบคลานเข้ามาแอบซ่อนอยู่ตามมุมวัดมุมกุฏีชายสุบงจีวอ และการแสดงออกจะได้ถอยตัวห่างออกไปไม่มีโอกาสมาส่องสมกำลังทำลายวงคณะกรรมฐานเราให้ชีบหายไปอย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามนักปฏิบัติเราถ้าเพลินมองข้างนอกยิงความมองข้างในคือตัวเองเทียบกับหลักธรรมวินัยแล้วต้องจัดว่าเป็นความเผลอตัวเพื่อเปิดทางให้เหล่าร้ายทั้งหลายคืบคลานเข้ามาตั้งวัดใหม่ที่รกรุงรังขึ้นแทนวัดเก่า สร้างเราตัวลืดด้านขึ้นแทนเราตัวเดิมที่เคยมีธรรมในใจให้จมมิดชนิดมองไม่เห็นของเดิมแน่นอนคำว่าธรรมกลายเป็นโลกคนฉลาดกลายเป็นคนเเขาคนมีสติกลายเป็นคนเมาคนที่เคยเป็นเจ้านายของตัวแต่กลายมาเป็นบอยด้วยสาระขุนนั้นก็กลายไปจากบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะความรู้สึกคิดนึกพาให้กล กายวาจาที่เคยเป็นเครื่องมือทำดีก็กลายเป็นเครื่องมือสังหารตนให้ิบหายวายปวงไปสิน้นไม่มีส่วนใดจะขืนตั้งตัวดีเด่นคงเส้นคงวาอยู่ได้ทะลงใจได้เปลี่ยนสภาพความคิดเห็นเป็นอื่นแล้วท่านนักปฏิบัติจึงควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมรดก อ, อันดีเยี่ยมไว้อย่างเต็มภูมิแห่งความสามารถขาดดินในการปฏิบัติแม้สิ้นชีพก็อยาให้สิ้นโรดลายที่เคยเป็นลูกนักรบถึงจะจบชีวิตลงในนาทีนั้น เพราะการสู้รบกับกิเลสนานาชนิดด้วยข้อปฏิบัติอันทรหดอดทนก็ขอให้สิ้นไปในถ้ำกลางแนวรบสร้างศพที่ตายในสงครามแห่งกิเลสแทนที่จะเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่า ก, ล, า ก, กลัวแต่จะกลายเป็นสร้างศพที่หอมหวนทวนลมตลบอบอวนไปทุก ท, ทิศ ท, ทุกทาง ท, ท, ทั้งเบื้องบนเบนืบ้องลา่างและเป็นศูนย์กลางแห่งความดึงดูดจิตใจของมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้มีความกระเยิยมยิ้มย่องต้องใจ อยากมาพบมาเห็นและกราบไหว้สักการบูชาเป็นกวันตาก้อนใจระลึกไว้ไม่ลืมเลือนเหมือนองค์พระาศาสดาและพระสาวกทั้งหลายตลอดครูอาจารย์ท่านมิพานซึ่งเป็นสกีพยานแห่งความทรงจําของพวกเรามาแล้วอย่างประจักษ์ใจพระอาทิพระอังคารเท่าฐานของท่านไม่มีผู้ใดรังเกียจเตียดฉันและครัวกันมีแต่ความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าด้วยกําลังศรัทธาต่างประสงค์พระอาทิท่านมาไว้สักการบูชา เป็นขวัญใจไว้รลึกทุกเช้าคำ่ำวันคืนยืนเดินนั่งนอนเพื่อความสวัสดิมงคลแก่ตนและสถานที่บ้านเรือนและเพื่อความแค้วแกร่ปลอดภัยอันตรายทั้งหลายจะได้ไม่มาถูกต้องสัมผัสชีวิตร่างกายซึ่งเป็นสมบัติที่รักสงวนอย่างยิ่งในโลกทั้งสชีวิตอัตภาพของท่านนักปฏิบัติจึงขอจึงขอวิงวอนให้เป็นไปด้วยความก ล, วกล้าาสามารถ ในการห้าหั่นฟันฟ้าอุปสรรคนานาประการที่กิเลสสันดานก่อกำแพงกั้นไว้อย่างหนาแน่นมั่นคงจนทลุกไปได้ดังท่านผู้เป็นศาสด า, า, า, าและอาจารย์พาดำเนินและได้ชัยชนะมาสู่โลกตนก็หลุดพ้นาศาสนาก็พว้อยเด่นโลกก็พลอยเฟื่องฟูเพราะคนที่ดีมีใจเป็นธรรมซึ่งรอกราบไหว้บูชายังมีอยู่มากและคอยเนียวคอยเกาะท่านผู้พาดำเนินด้วยความอาถารและถูกต้องแม่นยม ในการเป็นผู้นำด้วยความราบเรื่อนชื่นใจโลกยังหิวโหยต่อความดีและคนดีอยู่มากจนไม่อาจประมาณนับได้แม้ตนไม่สามารถดัดแปลงแต่งกายแต่งใจให้ดีเป็นที่พึงพอใจได้แต่ก็อยากเห็นท่านนักปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสหน้าเข้าใกล้ชิดสนิทธรรมอยากคเคารพเลื่อมใสและกราบไหว้เทิดทูนเป็นขวัญใจไม่มีวันอิ่มพอโลกแม้จะพากันอยู่กับความโกลาหนโอลมาน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 ขอนี้พระพุทธองค์ทรงดำเนินมาแล้วสมัยที่ทรงทรมานพระองค์มีได้ทรงคิดทรงวิตกกังวลในพระไทยว่าจะเพื่อผู้ใดแม้ประชาญาที่เปรียบกับดวงพระไทยก็ทรงทําความพยายามปล่อยวางทั้งสิ้นเวลานั้นทรงทุ่มเทความภาคเพียรเพื่อพระองค์ผู้เดียวเมื่อสมพระไทยไร้กังวลหม่นหมองทุกอย่างแล้วจึงทรงหวนระลึกความหลังที่เคยทําความปรารถนาไว้และทรงทําหน้าที่ของศาสนาเพื่อประกาศธรรมสอนโลก แม้ภาษาพุกทั้งหลายก็ดำเนินองค์ตามแนวทางของศาสดาคือสนใจสั่งสอนตนก่อนอื่นจนสําเร็จไปด้วยดีแล้วค่อยสั่งสอนหมู่ชนจึงเป็นผู้ตามเสด็จด้วยความวคล้าคลาดปลอดภัยท่านผู้ใดดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระองค์และสาวกท่านผู้นั้นจะเป็นองค์แทนทำ ม, มรดกที่ประธานไว้แน่นอนไม่สงสัยท่านนักปฏิบัติจึงควรภูมิใจในแนวทางอันเป็นสุขคตุนี้ เมื่อกล่าวมาถึงความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติซึ่งชักจะออกนอกลูก่นอกทางที่ท่านพระดำเนินมาทําให้ระลึกได้ในโอวาทอันเกี่ยวกับความเผ็ดร้อนที่ออกมาจากความเสเทินใจท่านพระอาจารย์มั่นคราวที่พักอยู่วัดหนองถืงสกลนครคือเย็นวันหนึ่งหลังจากปัดกราบลานวัดและส่งน้ําเสร็จแล้วมีพระทยอยกันขึ้นไปกุดีท่านหลายองค์ท่านเองก็ได้ประรอบธรรมในแง่ต่างๆให้ฟังวันนั้นท่านปรารอบถึงท่านอาจารย์เสาว ที่เป็นอาจารย์ให้พวกเราฟังอย่างถึงใจว่าท่านอาจารย์สาวเป็นอาจารย์ที่มีเมตตามาหานิยมเป็นหลักใจเกลโลกมากผิดอาจารย์ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้เด่นในวงคณะใครเข้าไปใคร่ชิดเป็นต้องสซนตระไคร่เลื่อมสายในองค์ท่านทัน ท, ทีแต่การให้อว่าสั่งสอนประชาชนพระเนรนั้นท่านไม่ค่อยสั่งสอนพิสดารกว้างขวางเหมือนผู้อื่นพูดเพียงประโยคสองประโยคเท่านั้นก็หยุดแล้วนั่งตัวตรงและเฉยอยู่ราวกับพระพุทธรูป ไม่มีการไหวทิ้ง อ, อวัยวะส่วนใดเลยแต่คนติดใจในโอวาทและองค์ท่านชนิดฟังและเห็นและไม่ จ, จืดจางกลับมาแล้วยังอยากยังคิดอยากเห็นอยากฟังท่านไม่มีวันอิ่มพอใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเลื่อมใสท่านมากแต่น่าเสียดายบรรดาพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ท่านมักไม่เข้มแข็งและมีหลักเกณฑ์ทางภายในภายนอกสมกับได้อาจารย์ดีวิเศษเป็นผู้อบรม ทางนี้คงเป็นเพราะความลืมตัวนอนใจและยิงในตัวมากกว่าทั้งที่ไม่มีอะไรที่ควรญิงและภูมิใจเมื่อเห็นท่านใจดีมีเมตตาไม่ค่อยดุดาจำ้ำจี้จำ้ำชายเหมือนอาจารย์ทั้งหลายแม้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อหน้าซึ่งควรจะดุดาว่ากลาวว่างพอผู้ผิดได้มีสติระวังตัวต่อไปไม่ลืมตนก้นด้านจนชินชาและเป็นคนใจด้านสันดานจมพอท่านอาจารย์มั่นหยุดการให้อว่าโชคราว เนได้โอกาพระองค์หนึ่งก็เรียนถามขึ้นอย่างเดือ่อๆชนิดไม่มีความแยบคลายอะไรเลยคล้ายนิสัยของผู้เขียนที่มีติดสันดานมาจนบัดนี้ว่าท่านอาจารย์เสาวท่านสิ่งกิเลสอันสะวะแล้วดังคําเล่าหรือจริงไหมครับผมองค์ท่านเองซึ่งสนใจพยา ย, ย, า, ยามอบรมสั่งสอนพระเนรให้ฉลาดแหลมคมอยู่แล้วพอได้ยินคําถามชนิดไม่น่าจะมีใครกล้าหานแบบนั้นถามขึ้นท่านเองก็ยิ้มนิดและหยุดไปชั่วคราว แล้วมองไปอย่างพระองค์ซื่อที่น่าสงสารซึ่งมีเจตนาบริสุทธิ์นั้นด้วยอาการยิ้มแฝงพฤติความเห็นใจและสงสารเธอที่ซื่อและโง่เขลาเกินกว่าจะตำหนิตีทั่วใดๆแล้วพูดเป็นเชิงอนุโลมในลักษณะโง่ๆไปด้วยเพื่อต้อนรับความโง่ความซื่อของเธอองค์นั้นเช่นเดียวกับมาอาชาในปฏิบัติตัวต่อยายแก่ผู้เลี้ยงดูตนฉะนั้นว่าท่านสิ้นสุดวีมุติพานไปนานแล้ว ตั้งแต่ท่านเองยังไม่เกิดโน้นท่านยังจะหลงบ้าสงสัยมาถามอะไรอยู่อีกการปฏิบัติไตถามอะไรก็ไม่มีวายแยบคลายบ้างเลยสักนิดพอเป็นเครื่องหมายของคนมีสติปัญญาเพื่อแก้กิเลสความโง่เขลาของตอนบ้างฉะนั้นจิตใจจึงสนุกนอนจมอยู่กับความโง่ตลอดเวลาการภาวนาก็มีแต่ความโง่เขลา โ, โง่โมวงนั่งทับอยู่บนศรีรษะไม่มีเวลาสัางชะโงกหน้าฉะโง่หลังราวกับลิงชะโงกดูคน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 ดังที่ถามเรื่องท่านอาจารย์สามื่อครู่นี้เองซึ่งไม่ใช่ทางเดินของผู้มาอบรมศึกษาหาความพ้นทุกข์ตามทางาศาสนาที่พาดำเนินเพราะเป็นความโง่เขลาอย่างหน้าทุเรศเหลือจะทนฟังได้จึงวิตกังวลกับหมูคณะอยู่ไม่ไวายเวลาผมตายไปจะไม่มีผู้เป็นหลักฐานทางจิตใจและปฏิบัติธรรเครื่องดำเนินสืบต่อไปกลัวจะเป็นดังที่กล่าวมานั้น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 ผลแห่งความประมาทก็คือความจนตรอกพ่อโพนทุกไม่มีประมาณอยู่ที่ใดไปที่ใดก็มีแต่มารคอยรังควานกวนใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนต่างๆไม่มีสถานที่และเวลาปรลงวางล ง, ลงได้ทุกการสถานที่ของคนประมาทมีแต่ทุกติดแนบกับตัวยิ่งกว่าเงาเพราะโทษแห่งการตั้งตัวเป็นมารแก่ตัวเองโดยไม่ได้สํานึกว่าความประมาทเป็นตัวภยัยตัวมารคอยลรางแพา่ตัวเอง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 ไมอยากให้ท่านผู้ใดสนใจใครประพฤติเพราะขึ้นชื่อว่าความประมาทแล้วไม่ว่าประมาทในสถานใดย่อมทําคนให้เสียได้ในทุกกรณีจึงเป็นสิ่งไม่ควสนใจใคร่คิดกับความไม่ดีนั้นๆเลยขอนิมนต์ทุกท่านจงเห็นใจผู้ให้การอบรมสั่งสอนที่ได้ตั้งหน้าทําหน้าที่อย่างเต็มพวงด้วยความเต็มใจและเมตตาจงพยายามฝึกทรมานตนด้วยหลักธรรมที่พร่ำสอนตลอดมาอย่าให้เป็นลักษณะของทัพพีหรือช้อนละคนอยู่กับแกง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 มีพระบางพวกที่เป็นลูกศิษย์ท่านเองอยู่จังหวัดนั้นนำอธิท่านมาบทให้ละเอียดผสมกับผงชนิดต่างๆที่ถือกันว่าครั้งๆแล้วปั้นเป็นองค์พระเล็กๆจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากองค์ละราคาแพงๆด้วยมีผู้ชาวไปบูชากันมากโดยไม่สนใจกับราคาข้างวดว่าแพงหรือไม่แพงเลยกระผมเห็นแล้วอดสลดสัวชใจไม่ได้เพียงเท่านี้เองท่านก็อุทานขึ้นทันทีว่าโอ้โห พากันเป็นถึงขนาดท่านเทียวหรืนี้พระจำพวกทำลายพระศาสนาทำลายครูอาจารย์พากันเป็นหมากัดแทกันกระทั่งกระดูกท่านกินยิ่งกว่าหมาเสียอีกนี่คือพวกสิ้นคิดและหมดทางหากินจึงพากันกัดแทะกันกระทั่งกระดูกอาจารย์ของตนหมามันยังรู้จักเจ้าของไม่ยอมกัดแทะแต่นี่มันยิ่งกว่าหมาจึงไม่รู้จักเจ้าของกัดแทกินเรียดไปเลยพวกนี้พวกหมดยางอายถึงได้กัดแทะกระดูกครูอาจารย์ไปขายกินเฮ้อ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 คอยแท้ทั้งเป็นแท้ทั้งตายไม่มีวันอิ่มพอและอายบาปบ้างเลยพวกจิตใจต่ําซามคอยทําลายศาสนาทําลายครูอาจารย์อย่างไม่อายมีใครบ้างที่เก่งเกงอยู่ที่นี่ซึ่งคอยจะกัดแท้เนื้อหนังและกระดูกผมไปขายในเวลาเป็นและเวดาตายไปรีบบอกมาจะได้เสริมชื่อเสริมนามให้สูงส่งเสียแต่ที่ผมยังไม่ตายว่าขณะพ่อค้าขายกระดูกครูอาจารย์กินพระพวกนี้นอกจากทําแบบหมาคอยแทะกระดูกแล้ว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 ปากไม่อยู่เป็นสุขเพราะหนอนคือความทยานอยากข้าบ่อนชัยจนประชาชนพระเนนที่รักศีลรักธรรมรักข้อปฏิบัติเบือ่อเอือมระอาไปตามๆกันเมืมมมม่อยากเข้าหน้าคบค้าสมาคมแม้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วยังมีใครอีก บ, บ้างที่อยู่กับผมเวลานี้ซึ่งกําลังเรียนวิชาหมาแทกกระดูกและปฏิบัติแบบหมาคอยกัดแทกกระดูกทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปของผมท่านพูดย้ําแล้วย้ำเล่าจนผู้ฟังตัวชาไปตามกัน แม้เช่นนั้นก็ยังมายุติเอางาน ย, ยังมีเด็บเน็บน้ำแนวเฉียดหน้าเจ็ดล้างเฉียใกล้เจ็ดไกลอยู่นั่นเองจนผู้นั่งฟังตั้งตังตไม่ติดโกรนกระวายอยู่ภายในทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งจะปวดหนักปวดเบาทั้งอยากมุดลงพื้นทั้งจะเป็นลมสลบไปในขณะนั้นเพราะความกลัวและความอับอายชนิดไม่มีที่ปลงวางราวกับตัวเองก็เป็นหมาตัวกัดแทกเก่งๆตัวหนึ่งแม้ไม่ได้เป็นดังท่านว่าจากนั้น ท่านก็บัร ญ, ญายเรื่องพระที่มีจิตใจต่ำทรามหมดรัศมีแห่งธรรมภายในใจหมดความหวังในธรรมหมดความภาคเพียนทางใจหมดความสนใจฝักใฝ่ในธรรมเปลี่ยนความรู้ความเห็นจากภายในออกสู่ภายนอกเพราะจิตใจกลับคลายคลาดจากธรรมไปสู่โลกโดยสิ้นเชิงแล้วอาศัยโลกาม่เป็นอารมณ์และเรือนอยู่ของใจเป็นเครื่องประดับเกียรติพูดประจบประแจงหวานร้อมด้วยอุบายต่างๆ ให้ประชาชนที่มีนิสัยเชื่อพระมาแต่บรรพบรุษหลงเชื่อตามและกว่าต้อนมาเป็นบริษัทบริวารเพื่อประดับเกจว่าตัวมีโวหารปฏิพันธ์ดีฉลาดแหลมคมมีอำนาจปาสนามากมีผู้คนเคารพนับถือมากมีลูกศิษย์บริษัทบริวารมากนับวันลืมตัวและพองตัวโม่สมจนหมดความสมสํานึกโดยสิ้นเชิงวันคืนการเวลาผ่านไยด้วยความขยาวก่อกวรต่างๆไม่มีประมาณ โดยการชักชวนผู้นั้นให้ผลิตสิ่งนั้นชักชวนผู้นี้ให้สร้างสิ่งนี้ว่าดีมีอนิสงฆ์มากทั้งที่ตนกําลังเตรียมโดดลงนรกหลุมกอ่อควรวุ่นวายอยู่ทุก อ, อยู่ทุกขณะอยู่แล้วไม่อาจดํารงตัวให้อยู่ด้วยความสงบสุขได้แม้ชั่วขณะหนึ่งเพราะหัวใจแตกดีแตกและเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความพ อ, อ, อกพูนส่งเสริมกิเลประเภทโลกามิตรตลอดเวลานาทีพาให้รบเร้าก่อควน พาให้ออกเที่ยวชักชนวนก่อกวนประชาชนพุทธบริษัทด้วยวิธีการต่างๆมีเรื่อยไรยบ้างพาผลพาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดขลังๆราคาแพงๆบ้างร้อย8จนเราทํามไม่ทันอุบายของพระจำพวกนี้นะว่าพิสดารเกินคาดแต่ทังให้ความสงบสุขทางใจทั้งตนและพวกอื่นนั้นไม่ยอมสนใจแม้มาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่พอเป็นปากเป็นทางพอเป็นพิธีว่าตนมาศึกษากับครูอาจารย์องค์สําคัญ เวลาออกไปจะได้ประกาศตนอย่างเต็มยศของนักปฏิบัติประเภทชอมโฆษณาอดตัวว่าเก่งพอตัวแล้วจนออกรัศมีสีแสงแพ ร, ว, พรว์เพราะไปอยู่ไปลูกศิทธิใกล้ชิดผู้โปรดท่านอาจารย์องค์สำคัญเพิ่งออกมาจากสำนักท่านอย่างสดสร้อนๆอยังไม่ได้ทดลองฝีมือความเก่งคล้าสามารถคงตนบ้างเลยเพิ่งฟิตตัวมาใหม่ๆกาลังคันฟันใครอยากให้ทดลองฝีมือรีบเข้ามารักการอบรมให้สมศักดิ์ศรีของวิชาที่ ได้รับประสิทธิ์ประสาทมาใหม่ๆจะได้มักได้ผลรวดเร็วสมความปรารถนาที่ระหายมานานไม่แกล้งอวดตัวว่าเก่งแต่วิชาเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนี้คนเราที่เป็นลูกชาวพุเลือดเนื้อชาวพุธอยู่แล้วไม่เชื่อพระก็จะไปเชื่อใครที่พอจะลงใจได้ก็จาต้องเชื่อพระแต่ไปเจอเอาพระประเภทกาดแทะกระดูกเนื้อหนังครูอาจารย์และประชาชนเข้าก็อาลอยล่มจมไปด้วยที่น่าสงสาร นี่แหละผมมิตกเหลือกเกินว่าเรื่องมันจะเป็นไปทนองนี้แน่นอนเพราะความต่ํำซ้ำแห่งจิตใจของพระปฏิบัติประเภทกาฝากที่คอยทําลายวงคณะและจิตใจพุทธบริษัทให้จิบหายล่มจมไปด้วยไม่มีประมาณเพียงท่านอาจารย์สาวท่านมรณภาพผ่านไปไม่กี่ปีเลยคณะลูกเสือของท่านเองก็เป็นตัวบุ่งตัวนอนพากันทําลายเสยเองด้วยวิธีการต่างๆผมจึงเชื่อไม่ได้ว่าคณะลูกเสื์ประเภทกาฝากที่มาอาศัยผม มาเป็นยุคยุคคราวจะทำอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นไม่ได้ส่วนพระประเภทิมีครูก็จะอยู่ลำบากและพลอยเสียไปด้วยตามโรกวัชชะคือโลกท่เตียนินทาเพราะความเกี่ยวเนื่องกันการกระทําด้วยความตำสามทางจิตใจเช่นนี้จะไม่มีวันรู้สึกสำนึกตัวได้เลยตลอดวันตายจึงน่าวิตกกับท่านผู้ปฏิบัติ ด, ดีซึ่งมีอยู่จานวนมากจะพลอยได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย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 เวลาครูอาจารย์ยังมีชีวิตยอยู่ก็พยายามซ่อนเล็บเดบเคี้ยวไว้บ้างพอเป็นกิริยาให้โลกงามตาไม่ผ่าพผลโยนตัวจนเกินไปแต่เวลาครูอาจารย์ไทยจากไปแล้วนั่นและเป็นโอกาสที่พระจมพวกกาฝากนี้จะแสดงรวดลายของตัวในแง่ต่างๆอย่างเต็มพิมมือเพราะไม่มีที่เกรงขามพอให้เกิดความกระดากอายบ้างคนเราเมื่อหมดความสนใจในธรรมทวีอย่างเดียวจะไม่าำความชั่วใดทุกอย่างโดยไม่มีความกระดากอายอะไรทั้งสิน้น จำพวกนี้แลที่จะทำความเสียแก่วงคณะและพระาศาสนาได้มากโดยอาศัยผากาสาวพัดเครื่องบริการของพระธุรงคกรรมฐานเป็นเครื่องมือหากินและทำลายภายในตัวผมกลัวนักกรนาเพราะเป็นประเภทที่ชินชาและต้านทานยาคือทำเก่งไม่มีจำพวกไหนเก่งเท่าบรรดา น, นักบวชที่ดที่หม ด, หมดฮิริโอตปะธรรมภายในใจผมไม่ชมพระที่ทาตัวไม่น่าชมเชยไม่ตาหนิพระที่ไม่ควรตาหนิ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 พอท่านแสดงทำประเภทอสุนีบาตคือฟ้าผ่าจบลงพระที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายองค์เวลานั้นไม่มีองค์ใดกล้ากระดุกกระดิกคายบ้างเลยคงนั่งตัวแข็งเงียบไปตามๆกันพอเห็นอาการของพระกลัวมากและน่าสงสารท่านจึงเริ่มทำประเภทปลอบโยนขึ้นมาอย่างแผ่วเบาเรากับไม่ใช่องค์เดียวกันเป็นพูดแสดงว่าที่พูดเช่นนั้นก็เพื่อบรราปราบรามโรคชนิดร้ายแรงเอาไว้ มีฉนั้นก็จะลุกลามเข้ามาในวงคณะให้กลายเป็นโรคระบาดสายกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งคนดีก็จะอยู่ไม่ได้กลายเป็นไฟเผาโลกไปตามๆกันท่านที่มุ่งมาด้วยความสนใจใคร่ธรรมก็น่าเห็นใจแต่การแสดงธรรมต่อโลกสมมุตินั้นไม่ได้มีห้องเก็บเสียงและแบ่งาศาสต์แบ่งส่วนเฉพาะบุคคลนั้นๆจะควรรับฟังหรือไม่ควรเ <amongst you. S 2> มื่อแสดงออกแล้วจาต้องไ ด, ได้ยินทั่วกันโดยแม่นิยมว่า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 หลังจากนั้นท่านก็พูดคุยธรรมดาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระทั้งหลายจึงพอมีลมหายใจขึ้นมาบ้างไม่เหมือนถูกขังดัสดันในตุ่มที่ปิดฝาไว้อย่างมิดไม่มีลมพอหายใจและถูกเผาด้วยตปะปาธัมเมื่อครู่ก่อนนั้นพอได้เวลาต่างกราบท่านลงมาและต่างองค์ต่างแสดงความยิ้มแย้มต่อกันตามระษาของนักโทษที่ถูกปล่อยตัวและแอบสนทนากันที่สภาหนูองเล็บที่รับหลัง ตามเคยบางองค์ท่านจะโมโหอยู่บ้างปล่อยคล่งออกมันทันทีว่าท่านอุตรีไปพูดขึ้นทําไมคาอื่นเรื่องอื่นที่ควรพูดกว่านั้นไม่มีบ้างหรือเห็นไมล่ล่าเป็นอย่างไรบ้างมีผู้สรุปบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้นี้โดนจังๆเข้าแบบนั้นทําไมไม่ถามล่ามผู้เคยแปลเขาบ้างละ่ะอย่างเล็บท่านที่เคยรู้นิสัยท่านดีอวดดีเมื่อเจอของดีเข้าแล้วเข็ดบ้างไหม ถ้ายังไม่พอวันหลังหาเรื่องไปเรียนท่านใหม่เลือกเอาที่จังๆกว่าวันนี้นะผมนะไม่ขึ้นแน่วันหลังปล่อยให้คนดีคนเก่งรับตะบองใหญ่คนเดียวก็ผมไม่นึกว่าท่านจะใช้ไม้ตายแบบนี้นะี่นาจึงได้เรียนแบบซื่อๆเซ่อๆอย่างนี้องค์ที่ถูกรุมให้เหตุผลใครว่าท่านดุดาผู้นั้นก็ไม่เห็นความผิดของตนลสินนะผมยังอยากให้ท่านลงหนักยิ่งกว่านี้อีก วันนี้จิตผมมอบราบเลยรา่ากับคนตายแล้วสมน้ำหน้าจิตตัวขนองวิ่งรอบโลกเหลือเกินวันนี้ผมภาวนาคนเดียวจิตมันดือ้อกระโดดโลดเต้นไม่ยอมสงบเอาเลยเหมือนจับฟิ้งทั้งฝูงเข้ากรงนั่นแหละแต่วันนี้พอโดนทำท่านหนักๆเข้าจิตไม่มีทางออกเพราะถูกท่านตีต้อนโดยธรรมเลยมอบสงบลงได้อย่างง่ายดายแหมดีจริงวันนี้ผมขออนโมทนาด้วยท่านที่หารอาราธนาท่านแบบนี้ วันหลังจะมีใครได้เรื่องแปลกๆและเผ็ดๆร้รอนๆไปเล่าถวายท่านอีกเผื่อลิงน่งเล็บจิตผมจะได้อยู่สงบสุขบ้างขณะท่านสาบเขกอย่างแรงวันนี้ดีเหลือเกินนับแต่ฟังเทศท่านมาก็มีวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับผมอีกองหนึ่งพูดขึ้นด้วยความพอใจบรรดาพระทั้งที่นั่งฟังอยู่บนกุฏิท่านทั้งที่แตกตื่นแตกตื่นกันมาแอบฟังอยู่ตามข้างๆ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 สาเหตุที่ระลึกโทษได้ไม่สายจนเกินไปนักถึงกับยมบาลคัดออกจากบัญชีประเภทนรกแตกก็เพราะความโหะลึกถึงพระคุณท่านในแง่ต่างๆแล้วเล่าตลอดเวลาประจำอิรยาบทเรื่อยมาจึงมาสะดุดใจจนสะดุ้งว่าโอ้โหพุทธบริษัทที่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้พระพุทธรูปปฏิมากรรมพระบริขารและสถานที่เคยประทับพระธรรมที่จารึกลงในคัมภีร์ ใบลานและวัตถุต่างๆตลอดพระสงฆ์ที่เป็นรูปแทนองค์และชื่อเสียงเรียงนามของความปฏิบัติตลอดการคำจัดกิเลส ข, ของท่านยังเป็นความเคารพอันดีงามและเป็นเนติแบบฉบับอันยอดเยี่ยมเพื่อพวกเราชาวพุทธสุดท้ายภายหลังได้ยึดเป็นคติอันดีหาที่ตําหนิไม่ได้ตลอดมา <im itation> เหตุฉไหนเราจะรับบริคัรและอธทิท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ที่เราเคารพรักสุดหัวใจ จนสามารถยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแทนท่านได้โดยไม่อาลัยเสียดายไว้สักการบูชาเทิดทูนแทนองค์ท่านเหมือนบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายทำกันทำไมกลัวเป็นหมาโอ้โหไม่ใช่เรากลายเป็นหมาในร่างของพระผู้อดดีไปแล้วเพราะความโง่เขาาทำลายแต่ขณะแรกขงังเทศท่านวันนั้นแล้วละเลยแล้วกันตัวดีตัวฉลาดแหลมหลักแต่ไม่รู้จักว่าอะไรให้เป็นหมาหรือเป็นพระเป็นคน เธอตัวฉลาดมาโดนตำแหน่งหมาเข้าเสียแล้วเป็นเพียงไม่มีหางเหมือนหมาทั่วไปเท่า น, นั้นเองนาสลดสังเวชตนที่ไม่มีอะไรให้อภัยได้เพราะสายไปเสียแล้วท่านอาจารย์มั่นผู้เคยเมตตากลัวเราจะเป็นหมาต่อหน้าท่านก้อนนิพพานไปซะแล้วเพราะท่านสอนแล้วไม่ยอมรับแต่กลับเห็นผิดคิดแหวกไปเป็นหมาทั้งที่ท่านวาถวดท่ามไว้ไม่ยอมฟังตายจริงคราวนี้ อ, อนิจจาวาสร้างฆารา สังขารช่างหลอกพระให้เป็นหมาได้ต่อหน้าต่อตาอุปาดาวญาธรรมิโนขณะนี้เรากำลังเกิดเป็นหมาในร่างพระอุปัชิตตวานิโรชันติเกิดเป็นหมาแล้วจะด่าวความเป็นหมาของตนด้วยอุบายวิธีใดเล่ารีบคิดหาทางดับย่านอนใจเราขับตนเป็นพระทั้งที่กำลังเป็นหมาอยู่ขณะนี้เตสั้งอุปสโมสุโ ค, โคการระงับดับความคิดทั้งปวงที่พาให้เป็นหมาเสียได้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 พระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตจเจ้าวาดประสุทธาวาสท่านเองก็อนุเคราะห์ด้วยความเต็มใจและเมตตาพระที่แสนโง่แม้ได้อธิท่านมาอย่างสมใจแล้วก็ทำให้มีอะไรอะไรสะกิดใจอยู่เสมอมาราวกับวิบากแห่งหมานั้นยังติดตัวแก้ไม่ตกเฉพาะอธิเวลาได้มาแล้วก็คอยวันคอยคืนอยากให้อธิท่านกลายเป็นพระธาตุในขณะเดียวกันก็มีอะไรสะกิดใจอยู่เสมอมาว่าอธิท่าน ไม่มีวันกลายเป็นพระาธาตุถ้ายังอยู่ในกรรมเสด็จของเราที่เคยประมาทท่านด้วยความคิดง้อของตนถ้าท่านจากเราไปมีทางกลายเป็นพระาธาตุได้อย่างไม่มีปัญหาเป็นที่นาประหลาดและอัศจรรย์เกินคาดพอแจกให้ท่านผู้อื่นไปสักการบูชาอาทิตย์ท่านได้กลายเป็นพระาธาตุไปอย่างรวดเร็วผิดธรรมดาที่อยู่กับคนบาปหนาะปัญญาทำลายตนอย่างมากมายจนไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกรรมตอนนี้ ยังไม่หมดสิ้นไปง่ายๆแม้ท่านมาอยู่กับเราก็คอยแต่จะพลาดจากไปทั้งที่เคารพรักท่านมากมายสุดหัวใจจนกลายเป็นสภาพเดิมคืออยู่แต่ตัวเปล่ารอกัะหมาอาตัวเดิมแล้วเหมาะกับภูมิของตนโดยแท้ทุกวันนี้เมื่อพยายามสาอแสวงอธิหรือพระทาตท่านจนหมดหวังไม่มีทางได้ท่านมาสักการบูชาแล้วเลยทำเฉยอยู่ได้เหมือนคนสบายหมดหวัง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 ผู้ทำกรรมที่ไม่หลงลืมในกรรมที่ทำของตนย่อมทราบด้วยตัวเองนอกจากไม่กล้าพูดให้ผู้อื่นฟังเท่านั้นที่ท่านอาจารย์มั่นเทศวันนั้นก็เต็มไปด้วยเจตนาเมตตาสงเคราะห์อย่างหาที่เปรียบนี้ได้ท่านช่วยปิดกัน้นทางไหลามาแห่งความลามกทั้งหลายกลัวจะไหลาบามมาอย่างแปดเปื้อนของที่ยังดีใช้กันได้ให้เสียไปด้วยท่านช่วยปิดกัน้นอย่างเต็มกําลังความสามารถเพราะการนําอธิของครูอาจารย์ไปจําหน่ายขายกิน เปความลามกสมมุอย่างยิ่งสําหรับพระธรรมฐานที่เคยได้รับการอบรมมาด้วยดีพอทราบบุบาปได้เท่าที่ควรแล้วไม่น่าจะทําอย่างนั้นท่านจึงเทียบการกระทํานั้นเหมือนการกระทําของสุนัขเพราะเป็นการกัดการแทะแบบสัตว์ที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษอันเป็นพรมและขนมธรรมเนียมของมนุษย์ปฏิบัติกันมาเมื่อเราไม่ทําแบบกัดแบบแทะเหมือนหมาก็จะเป็นหมาไปไม่ได้อยู่เอง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 จะคลมกลืนกับหลักศาสนาธรรมอันเป็นองค์ของศาสดาแท้ทั้งเหตุและผลจะไม่ขัดแย้งกันดังที่มักมีอยู่เสมอในวงพุทธบริษัทอันเดียวกันหากใช้ความไข้ครวญตามส่วนใหญ่ส่วนย่อยของศาสนาบ้างแม้จะผิดแพกแตกต่างกันบ้างตามแขนงต่างๆแห่งธรรมและจริตนิสยัยก็คงไม่มากมาจนน่ารำคาญนักดังที่ปรากฏอยู่ซึ่งแท้พูดได้ว่าเป็นยาประจาบ้านแห่งสงครามคารมชาวพุทธ ที่ศาสตร์น้มสงกรานใส่กันโดยไม่เลือการสถานที่ควรหรือไม่ประการใดแม้เจตนาจะบริสุทธิ์ต่อาศาสนาด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ก็พอสร้างความบกพร่องของชาพุทธเราที่ต่างปฏิบัติไปต่างความคิดเห็นมากกว่าความหนักแน่นใน ห, หลักธรรมอันเป็นเก็มทิศทางดำเนินการขบฉันของพระธุดงกรรฐานที่เขียนผ่านมาได้กล่าวถึงบาทและขนาดของบาทพระกรรมฐานซึ่งถือเป็นบริการจาเป็นทั้งยามปกติ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 หรือออกเที่ยวดี่ยคันหลายองค์ในบางครั้งที่ท่านเคยปฏิบัติมาเมื่อได้อาหารมามากน้อยจากบินธบาทต่างนำอาหารต่างๆออกจากบาทมาแก้รวมกันแล้วแจกจ่ายใส่บาทให้ทั่วถึงกันเสร็จแล้วถ้ามีญาติโยมตามออกมาแม้แต่คนหนึ่งขึ้นไปท่านอนุโมทนายะถ า, าสาพีก่อนแล้วค่อยลงเมฉันแต่โดยมากมากทาอนุโมทนาอยู่ในบ้านเสร็จแล้วค่อยออกมาโดยญาติโยมทาร้านเล็กๆไว้ในบ้านแห่งหนึ่งหรือสองแห่ง เมื่อท่านนั่งอัญโมธนาเสร็จแล้วค่อยออกมาญาติโยมจึงไม่ค่อยตามมามีอะไรเขาก็เตรียมใส่บาตรให้พร้อมเสร็จเมื่อจัดอาหารใส่ในบาตรเสร็จแล้วท่านเริ่มทาความสงบอารมณ์พิจารณาปัจเจวคขณะปฏิสัางข่าโยนิโซในอาหารชนิดต่างๆที่รวมในบาตรโดยทางอนิจจังทุขังอนัตตาบ้างทางปฏิกูลสัญญาบ้างทางธาตุบ้าง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 ค่อยพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำไม่ให้มีเสียงรัวเรียอันเป็นการผิดมัญญาตของการพูดในเวลานั้นขณะพูดก็ตั้งใจทาหน้าที่ในการพูดจนจบก่อนแล้วค่อยลงมือฉันต่อไปด้วยท่าสํารวมตามปกติมีสติระวังการบดเคี้ยวาอาหารไปทุกระยะไม่ให้มีเสียงดังกรอบแกรบ ม, มุมามซึ่งเสียมัญญาตในการฉันและเป็นลักษณะของความเผอเรอและตะกะตะกรามตามองลงในบาด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 ด้วยความมีสติพิจารณาด้วยปัญญาเมื่อเกิดอุบายแปลกแปลขึ้นมาในเวลาฉันเสมอบางครั้งถึงกับเกิดความสลดใจขึ้นมาในเวลาฉันก็มีจนต้องหยุดฉันไปพักหนึ่งหรือหยุดเลยก็มีเพราะรสแห่งธรรมที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมีความสําคัญเกินกว่าที่จะมัวเพลินในรสแห่งอาหารที่กําลังฉันอยู่มากมายการหยิบอาหารใส่มุกขทวารก็มีสติประจําไปทุกระยะเช่นเดียวกับการทําความเพีลในท่าอื่นๆ พราะการขบฉันก็เป็นกิจวรรัตรของพระข้อหนึ่งไม่ด้อยกว่ากิจวรรัตรอื่นๆ อ, อันเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสภายในได้เสมอกันถ้าไม่ประมาท เ, เพลิดเพลินไปกับรถอาหารเสียจนลืมตัวการขบฉันจะกลายเป็นเรื่องโลโลโกไปไม่เป็นกิจวรรัตรประจําองค์พระผู้หวังเห็นภายในทุกสิ่งที่อยู่ในความสามารถอาจรู้เห็นในสถานที่และอิริยาบททั้งปวงดังนั้นการขบฉัน ครูอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นจึงถือเป็นกิจสำคัญเสมอมาขณะฉันจะมีพระอยู่ร่วมการจำนว น, นมากเพียงไรก็ตามย่อมเป็นเหมือนไม่มีพระอยู่ในที่นั้นเลยเพราะไม่ได้พูดคุยกันต่างองค์ต่างทำหน้าที่ของตัวด้วยความสงบสำรวมเนื่องจากท่านถือการฉันเป็นกิจวรรัตรที่ควรสนใจอันเป็นธรรมเช่นเดียวกับกิจวรรัตรทั้งหลายประเพณีของพระกรรมฐานเคารพในครูอาจารย์และเคารพในการละกัน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 โลกมีการเปลี่ยนแปลงและนักวันเจริญพระกรรมฐานอาจเปลี่ยนแปลงและเจริญรอยไปตามโลกก็เป็นได้เพราะคําว่าความเจริญใครๆก็ต้องการพระเนเนก็เป็นคนมีหัวใจเช่นเดียวกับโลกจะไม่ให้ต้องการความเจริญกับข า, ขาวก็น่าพิสงสงสัยสําหรับท่านที่แก่ชรามากและพอเป็นรัตันอยู่ในทางโลกและทางธรรมาภิสังข์แล้วอะไรจะเจริญหรือเสื่อมท่านคงไม่มีความสามารถอาจรู้อะไรกับเขาได้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 บางครั้งเกิดความปฏิกูลเบื่อหน่ายขึ้นมาจากอาหารในบาทถึงกับจิตเกิดความเบื่อหน่ายในอาหารจะไม่ยอมชันก็มีตอนนั้นเป็นสมัยที่ท่านกําลังปฏิบัติอย่างเข้มงวดโกดขันเอาจริงเอาจังเมื่อเกิดความรู้ที่กระเทือนทําขึ้นมาต้องใช้อุบายปลาปร า, ปรามแก้ไขกิเลสประเภทเบื่อตัวเองในมเลเร็บอาหารกันอย่างหนักหน่วงจึงยอมรับและลงสู่สภาพความจริงคือสายกลางได้มิฉะนั้นจิตจะไม่ยอมชันเอาเลย โดยเห็นอาหารในบาทเป็นอะไรเป็นหมดการบังคับให้ฉันในเวลานั้นจึงเป็นเหมือนคนที่ถูกบังคับให้เข้าไปชมความสวยงามของคนตายในป่าช้าฉันนั้นต้องพิจารณาแก้ไขกิเลสประเภทบางเงาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างเอาจิงเช่นเดียวกับพิจารณาความงามให้เป็นของปฏิคูนั่นเองจิตจึงลงสู่สภาพเดิมได้และฉันได้อย่างธรรมดาต่อไปจากนั้นต้องใช้อุบายหลายด้านประสานกันไป ทั้งให้รู้ทั้งให้รอบตัวทั้งให้กลัวทั้งให้กล้าสลับสับปนกันไปแต่ที่จิตแสดงความรู้ในลักษณะนั้นขึ้นมาก็ดีอย่างหนึ่งทําให้สติปัญญาความแยบคายพลิกแพงใช้ได้หลายสัรหลายคมทานการพลมารยาของกิเลส ต, ตัวแสนปริ้นปร่อนรอกลวงได้ดียิ่งจิตมีนิสัยผาดโผนโลตินอยู่แล้วจะพิจารณาไปธรรมดาไม่ได้ต้องไปเจอเอากิเลสประเภทโสงรอยเข้าจนได้ฉะนั้นจึงกล้าพูดอยู่เสมอว่า สติปัญญาเป็นอาวุธสาคัญในวงการพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งหยาบละเอียดมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่างเอกไม่ยอมแพ้อะไรเอาง่ายๆดังเราพิจารณาอาหารในบาทให้เป็นของปฏิคูลเพื่อตัดความพวงหลงรดให้ปรากฏศักด์ว่าธาตุหรือธรรมเพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแต่เวลาปรากฏขึ้นมาในกิจขณะพิจารณาเลยกลับเป็นของหน้าเบื่อหน่ายจนเกิดความขยะแขยง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 เกิดมาตายเปล่าเพราะความโง่เง่าฆ่าตัวราวกบคุนไม่ภัยนั่นและใครจะคิดก็รีบคิดอย่ามาโม่นั่งอมลิ้นอมฟันฟังและยืนเดินนั่งนอนสั่งสมความโง่อยู่เปล่าบวเวลาตายแล้วจะเสียการทั้งเสียข้าวสุกข้าวสารอาหารหวานข้าวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยของชาวบ้านที่บริจาคให้ทานหวังบุญเพื่ออุดหนุนกําลังผู้บวชด้วยศรัทธาหวังเทอทูลและตั้งใจละกิเลสทั้งหลายให้ขาดจากใจ แต่ครั้นแล้วแม้สติปัญญาเพียงเท่ า, มาเมล็ดงาหรือขาอยุ่งพอจะมาฆ่ากิเลสแม้ตัวหนึ่งให้ตายก็ไม่มีในใจแล้วกิเลสจะตายไปด้วยเหตุผลคนไรอันใดเล่าเมื่อสติปัญญาและความภาคเพียรยังเป็นอยู่แค่นี้ผมรู้สึกจะหมดสติปัญญาแทนท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้ดังนี้บทสุดท้ายท่านคงรำคาญจึงตีเอาทีเอาเสบ้างพอไม่เสียโลดลายของอาชาในผู้เปลี่ยนไกลในวงาศาสนาแห่งยุค ป, ปัจจุบัน